มนุษย์รักษาหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไก่มันยังรักษาหน้าที่ของความเป็นไก่เจ้ามามันยังต้องขันเรียกทำหน้าที่กบเขียดมแมลงต่างๆยิงจกตุกแก่ก็ทำหน้าที่หมูหมาก็ต้องทำหน้าที่ แต่ทัาปาปใดพระพิสุสงสมณเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาไม่รักษาศีลอยวานาทีเลยย่อมมีความบกพ่องย่อมมีความหม่นมองสิ้นดีและจะปัถนาความบริสุทธ น่าจะยากแค้นสิ้นดีหน้าที่เล็กๆน้อยๆเปียบส ม, มุเปียบเส ม, มือนคิดพงที่พัดฝุ่นละอองในเข้าตาก้อนใหญ่มหึมมาเข้าตาไปได้น่ากว่าจะเข้าไม่ได้ คี่เรื่องที่ผงเล็กๆน้อยๆทุกคนยอมไม่ไม่สนใจในสิ่งเล็กๆจะไปสนใจจต่ของใหญ่ๆโต ๆ, ตๆเรียกว่ามักใหญ่ไฟสูงฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย ถ้าปฏิบัติไม่รู้อิโนโอิเนไม่รู้ด้านหน้าไม่รู้ทิศรู้ทางก็ต้องไปฝึกเลี้ยงควายดีกว่ายังจะได้ประโยชน์เพราะวัวควายวัดเขาอิติสุกตโตนั้นมีมากวัวก็ตั้งร้อยว่าตัว ไฟก็ตั้งสามสิบกว่าตัวหากถ้าเราฝึกโดยที่ไม่มีสติสติก็คือความรู้ตัวตอนเช้าเอย่างนี้ไม่ควรจะทำใจให้คุณมัว ควจะต้องตั้งสติที่ดีแต่คนที่รักษาหน้าที่ก็ควรจะต้องรักษาหน้าที่ให้ดีไม่ใช่ว่าสติไม่รู้ล่องรู้ลอยเหมือนเหล่าที่กําลังฝึกสติอยู่ในขณะนี้คือต้องมีความรู้ตัวว่าเราขณะนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่ทำไปเพื่ออะไรและทำแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเช้าๆตื่นก็ยังไม่อยากจะตื่นตื่นมาแล้วรืมตามาแล้วตาได้เห็นหูได้ยิน ก็ยังนึกไม่ได้คิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรมาก่อนตอนที่เราตื่นบางคนตื่นมาแล้วมีสัญญากับการขบเคี้ยวตื่นมาปุ๊บก็หาอะไรใส่ปากเพื่อขบเคี้ยวบำรุงร่างกายโกว่าร่างกายนั้นจะอดอยาก มีความต้องการเพราะตื่นมาเนี่ยจะต้องกินกินเสร็จก็จะต้องนอนไม่นอนก็เดินไปเดินมาเมื่อนอนไม่หลับเดินไปเดินมาก็ยังไม่จบอีกก็มานั่งฟุ้งซ่านเพิดเพลินตามหูตามตาตามอารมณ์ที่ปรุงแต่ง คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงผัวคิดถึงสัตว์ได้ยงคิดถึงตัวตนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ความคิดก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆจนคิดถึงว่าอยากมีแก้วแหวนเงินทองอยากมีทรัพย์อยากรำ่ำอยากรวยอยากทุกสิ่งทุกอย่าง ปุงแต่งตนเองนั้นจมไม่มีเวลาที่จะได้พักพรทางสติมีความรู้รู้สึกว่าสมมุติไปตามอารมณ์ไปทั่วทุกขณะไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกำลังฟุ่งซ่านสติไม่รู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ความคิดความสมมุตินั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกำลังหมกมุ่นหยุบต่อความโรคความโกรธความหลงทำให้จิตนั้นมัวหมองทำให้สติของตัวเองนั้นไม่รู้ตัวรู้ตนหากความคิดฟุ้งซ่าน รังเลใจก็เริ่มมีความอึดอัดใจไม่สบายใจเริ่มมีความฟุ้งซ่านในอารมณ์เอจะอยู่ดีไหมเนอะหรือว่าเราจะต้องศึกไปเมื่อเราบวดมาเป็นพระเป็นเนนเป็นเมจีเราจะได้บุญไหมเนอะ เอถ้าเราทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเราจะได้บุญมากไหมเนาะคนที่กำลังหลงบ้าบุญโดยความคิดอย่างที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าบุญนั้นมันเกิดที่ใจเกิดจากทางกาย อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเช้าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเอากายของเราเนี่ยที่เราคิดว่าดีเนี่ยมีอาการครบสามบสองมีกายอันสมบูรณ์มีสมองก็คือสติมีความรู้ตัว มีปัญญาก็รู้จักคิดการสรํารวมทางกายทางวาจาทางใจเชื่อวาศิลป์บุคคลที่รักษาศีลบุคคลที่มีสมาธิสมาธิก็คือมีความตั้งใจมั่นมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวา่า เมื่อกอเกิดประพฤติปฏิบัติก็จะได้พบกับความรู้สึกไม่ใช่เกิดความรู้สึกจินตนาการตามกิเลสต่างๆเพราะนั้นคนที่มาฝึกสมาธิยังวัดเขาอิติสุกโตแห่งนี้ต้องรู้ตัวรู้ตนของตัวเองว่า ในขณะนี้เนี่ยท่านกำลังภาวนาอยู่หายใจเข้าโพธหายใจออกโทแล้วก็ยิ้มเขา้ามาคำว่ายิ้มเนี่ยเรานั้นเพื่อจะฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้อ่อนโยนมีความเมตตาก็คือความรักความรักก็คือความปรารถนาดี ปัตนาความบริสุทธิ์การปัฒนาดีของความรักเนี่ยก็คือเราไม่คิดถึงความโกรธเกลียดโผล่พยาบาหรือความรักที่ไม่บริสุทธิ์ความรักขึ้นบริสุทธิ์เช่นพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่ นั้นนับป่ะเป็นสัญญาอันบริสุทธิ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่พระคุณเจ้าได้ก็เกิดความรักบ้างหรื อ, อยังพระคุณเจ้านั้นอาจจะเกิดความรักในตัวตนของตัวเองอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี้ว่า เจ้าตื่นขึ้นมาก็รักตัวเองกลัวว่าจะหิวกลัวว่าจะหอยชานแปลว่าชินชินต่อความรู้สึกเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็จะต้องบริโภคอาหารบริโภคน้ำบริโภคข้าวบริโภคสิ่งของต่างๆคิดว่า เมื่อบริโภคแล้วตัวเองนั้นจะได้แข็งแรงการคิดของเรานั้นก็จะต้องบริโภคในสิ่งที่ดีๆเช่นหมูไก่เป็ดกุ้งหอยปูปลาอาหารที่ดีๆทำด้วยความปานี้มีภาชนะที่สวยมีสีที่สวยงามสด ดูแลน่ากินน่าขบหน้าฉันดูแลน่าบริโภคเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะได้มีพลักกำลังความคิดก็เป็นกิเลสไม่ได้ก่อกเหตุของสติความรู้ตัวเราก็มีสติรู้ตัวก็จริงอยู่แต่เราไม่มีปัญญาในมองในความรึกที่เป็นผง ผู้ใดเห็นผงละอองที่เป็นพิษเป็นโทษเป็นโลคาพยาธิผู้นั้นถือว่าเป็นผู้มีประโยชน์ผู้ใดเห็นความละเอียดละออเห็นความหยากผู้นั้นนับว่ามีสติมีปัญญาอันเป็นเลิศผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นธรรมในพระคำดำจังสอน ผู้นั้นย่อมมีความบริสุทธิ์ผู้นั้นย่อมมีความสุขมีความเจริญต่อสภ า, ภ, อภาวะของความเป็นอยู่ย่อมมีความเจริญทางศิลป์ย่อมมีความเจริญทางปัญญาเรียนรู้ธทำใดๆก็มีความละเอียดอ่อนในการกระทำต่างๆ แต่ถ้าเรานั้นไม่รู้ตัวโดยไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ยอมนึกคิดที่จะปรุงแต่งบริโภคหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยโปูปลาอย่างอร็จอร่อยตามที่ตัวเองคิดและปรุงแต่งแต่หากพระพุทธเจ้าได้เห็นว่า สัตว์ลักฐานพวกนี้ตกอยู่ในอภูมพโยตกอยู่ในอบยอัยภพเป็นภูมิของสัตว์ต่างๆก็คือมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ประกอบกรรมดีให้หลุดพ้นได้ ยอมตกอยู่ในอวายภูมิของรูปนามต่างๆรูปก็เป็นสัตว์ต่างๆไม่ได้มาเป็นมนุษย์เพราะความชั่วยาบของจิตของการกระทำตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็เลยตกอยู่ในอวายภูมิของสัตว์มีรูปนามเป็นสัตว์ต่างๆเช่นไก่ก็มีรูปรูปร่างอย่างนี้ กุ้งหอยปูปลาก็มีรูปร่างเป็นอย่างนี้ก็ตกล่นจากความเป็นมนุษย์นั่นเองท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าอาหารที่ท่านบริโภคอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ท่านก็นึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วท่านกำลังรวบรวมสัตว์เดรัจฉาน เข้าไปอยู่ในกายในจิตของท่านที่กําลังบริโภคกรรมต่างๆที่เป็นสัตว์ในรูปนามของสัตว์แปลเปลี่ยนมาเป็นรูปของอาหารท่านลองคิดดูว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยตกอยู่ในอบายภูมิเป็นภูมิของสัตว์เดลฉ า, าน ดังที่องค์สมมาสมพุทธเจ้าได้บอกกล่าวในพัดไตปีดกไว้ต่างๆเป็นหัวข้อเป็นเล่มหากผู้ไม่มีสติก็เกิดปัญญาไม่ได้ก็ไม่สามารถแยกแยะความละเอียดความหยาบลงไปได้ก็สัตว์ว่าได้ยินว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ไม่รู้ว่าก่อก ร, รมกำเนิดเกิดมาเนี่ยเป็นรูปนามแบบสภาวะของเปตอสุรกายสัตว์เลระฉานเราก็กัดกินกืนเข้าไปเหมือนเรากำลังกัดกินยาพิษเข้าไปสภาวะเลือดที่บริสุทธิ์กายที่บริสุทธิ์เด็กๆตัวในน้อยเนี่ย ร่างกายนะั้นไม่มีกลิ่นเตาไม่มีกลิ่นตัวปัสสวะอุจจาระก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนพวกเราในขณะนี้เมื่อเราร่างกายโตขึ้ น, นเรื่อยๆพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยว่ากาลังโกยขยะโกยเวนโกยกรรมในรูปนามของสัตว์ต่างๆ เข้าไปอยู่ในตัวในตนของรูปของตัวเองเมื่อเติบโตขึ้นมาเราก็กอบโกยตามสภาวะกรรมกรรมเป็นเพื่อกำลดเป็นเครื่องชี้นำให้ไปสู่สภาวะที่เกิดขึ้นเรียกว่าปัจจุบันกรรมปัจจุบันเราก็กัดกินกอบโกย อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นที่ขาดสติไม่ก่อเกิดปัญญาที่รู้เห็นว่าโอภูมิของสัตว์เดรัจฉานภูมิของเปตดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นยังไงเมื่อร่างกายเป็นคนมากขึ้นคือวัยเจริญพันธ์ความงอกของกิเลสตัณหาลาคะ การเปลี่ยนแปลงของกายกายของมนุษย์ที่ยังเล็กอยู่ก็ค่อยๆเติบโตผมที่ยังบอบบางอยู่ก็ดกดำแน่นดูสวยงามตาก็เริ่มสวยงามเติบโตขึ้นตาก็โตขึ้นคิ้วก็ดกขึ้นผิวพรรณก็เต่งตึงโตขยับขยายขึ้น ผู้หญิงก็มีสลีละของความเป็นหญิงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผู้ชายก็เช่นเดียวกันเมื่อกอบโกยสัตว์เดรัจฉานต่างๆที่ตกอยู่ในรูปนามของกรรมเป็นเป็ดบ้างเป็นไก่บ้างเป็นงูเงี่ยวเขี้ยวขอนเป็นปลาชนิดต่างๆเป็นนกชนิดต่างๆเป็นสัตว์ เป็นกุ้งเป็นหอยท่านลองนึกซื้อว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ตกล่นอยู่ในอวายวงของการทำความชั่วก็คือมนุษย์เป็นมนุษย์ไปได้ก็ต้องไปเป็นลูกน้มแห่งสัตว์เรียกว่าสัตว์นรกสัตว์ต่างๆนี้มันอยู่ที่เตียนที่ล่อง มันต้องแอบอบอยู่ในป่าอยู่ในลกมันจะต้องรักษากายรักษาอายุไขของความเป็นรูปนามแห่งสัตว์สเสวยกากกรรมอยู่ไม่รู้วันรู้คืนไม่รู้ที่มาทิ่ไปไม่รู้พ่อรู้แม่ไม่รู้พี่รู้น้องแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตนเนี่ย เป็นสัตว์อะไรบ้างมันก็ทำหน้าที่แห่งกรรมไก่จะต้องไขแล้วก็ฟักลูกก็จะต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกรูปไก่นั้นนะแม่หนึ่งก็ประมาณเก้าตัวสิบตัวแม่ก็หาเลี้ยงอยู่นั่นแหละคุ้ยเขี่ยจนเล็บหลุดหมดตะเกียกตะกายไปวันหนึ่งวันหนึ่ง เมื่อรูปเติบใหญ่ก็ต้องไข่ก็ต้องฟักวนเวียนอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตนตามสภาพของกรรมที่จะต้องกักกรรมไปแต่ละวันแต่ละวันไปไม่รู้ว่าจะสิ้นอายุไข่เมื่อไรป่วยไข้ก็ไม่สามารถจะรักษาหายยู่ขายาทาและกินได้หมูหมาก็เช่นเดียวกัน เราก็กอบโกยเอามาไว้ในร่างกายของเราเมื่อเรากิดกัดกินเข้าไปทุกวันทุกวันโดยที่เราเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เลยว่าเรากำลังหมกมุ่นทับโถมแห่งความชั่วยาบเพราะกินของชั่วยาบที่ต่ำลงไปใต้ดินใต้น้ำเรียกว่าเมืองบาดาล เมืองบาดานก็คือในทะเลในน้ำก็ยังมีม้าน้าช้างน้ำมีปลานกแก้วมีปลาเหยี่ยวปลาชื่อเหมือนสัตว์น้ำเนี่ยมีชื่อเหมือนสัตว์บกเลยแต่อยู่บนบกไม่ได้ปลานกแก้วมันอยู่บนต้นไม้ไม่ได้มันต่ำลงไปอีกอยู่บนพื้นพิพพ ของมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องลงไปในเมืองบาดาลนะมีมาน้ำ้ำมีช้างน้ำนะท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกขององค์สมามาสัมพุทธเจ้าท่านต้องละเอียดมองเห็นว่าสิ่งไหนายามสิ่งไหนละเอียด อันนี้มันเป็นผงที่อันตรายผงนี่ก็เปรียบเสมือนผลเป็นอันตรายต่อผลกระทาการกระทำต่างๆย่ยอมมีผลละก ร, รมเมื่อเราละเอียดระออแล้วผงย่อมไม่เข้าตาเพราะลูกตานั้นเรามีขนตามีการกระพริบมีน้ำเลี้ยงรอตา ไม่ให้ตาเราเหือดแห้งมีการทำความสะอาดดวงตาของเราอยู่เสมอแก้วตาก็คือดวงใจเมื่อเรามีความชำระร้างทั้งจิตใจทั้งจิตใต้สำนึกนั่นเองเมื่อมีสตินึกตึกตรองท่องแท้แล้วว่าเมื่อทำเหตุนี้แล้วเราก็จะมีผลในสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดี นักปฏิบัติทั้งหลายท่านปฏิบัติโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ทิศรู้ทางไม่รู้ล่างรู้บนไม่รู้เหตุที่ว่ามันก่อเกิดท่านก็ปุงแต่งคิดไปเนละมิตรนึกมโนโภาพต่างๆนานาเห็นเขามีแก้วเราก็อยากมีแก้ว เห็นเขามีทองเราก็อยากมีทองเห็นเขามีบ้านมีรถเราก็อยากมีบ้านมีรถเห็นเขามีที่มีทางเราก็อยากมีที่มีทางแต่เราไม่เคยเห็นใจตัวเองอยากให้คนอื่นมาเห็นใจเราเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นกิเลสอันชั่วหยาบไม่ได้ ย่อมเห็นความละเอียดอ่อนก็ไม่เป็นจะทำอย่างไรชั้นใดที่จะมองเห็นจิตของตัวเองนั้นให้ผ่องแผ้วมีความสะอาดสดใสขนาดดวงตาเรามองไม่ค่อยเห็นอย่างเอาน้ามาร้างเอายามายอดเอาแว่นมาขยายทำไมเราไม่ขยับขยายความรู้สึกจิตใต้สำนึก สินคือความสำรวจตรวจดูตัวเองว่ากายเราเนี่ยบริสุทธิ์ไหมเราก็นั่งเนี่ยแผ่เมตตาให้กับสภาวะ ก, กายของเราตามที่องค์สมาสมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนปงอสุภะเมื่อเรามีสติมีปัญญามองเห็นตัวเองว่าโอ้เนอร่างกายเราเนี่ยมันมีควายมีวัวอยู่ด้วยหรือ ที่เรากินมันเข้าไปทำไมเราเหม็นขี้วัวขี้ควายเหม็นข้าวผักข้าวปลาเหม็นเน่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรารถนาในสิ่งที่หอมหวานปรารถนาที่สิ่งที่สวยงามและถูกตาถูกใจแต่ทำไมไม่พิจารณากายว่าร่างกายเราเนี่ยมีหมูมีเป็ดมีห่านมีกุ้งหอยปูปลา ที่เอามาประดับประดาเหมือนบ้านเรานี่แหละที่ติดภาพทาสีนั้นสีนี้ปุปะลังคาข้างฟ้าประตูหน้าต่างเราเปิดให้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็คือโจรเนี่ยเข้ามาป้นบ้านเราบ้านเรามันบรรจุคนได้สาสบสองคนแต่เราอยู่เกินสาสสองคน ก็คือเกินอาการ32อะไรที่มันคิดเกินตัวเกินตนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองคิดแล้วมันไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกเศร้าหมองคิดเพื่อตัวเองไม่พอก็คิดเผื่อคนอื่นไปอีกเมื่อคิดแล้วไม่ได้อย่างใจก็เกิดความเศร้าหมองเมื่อพึงกระทาปัตตนาว่าจะได้ แร้ไม่ได้เนี่ก็เกิดความปัญาบาทอาฆาตเมื่ออยากได้แล้วไม่ได้เมื่อจะได้สมหวังสมปรารถนาอย่างเขาก็เกิดความน้อยอกน้อยใจว่าโอ๋น้องเราคงทําบุญมาน้อยเนะี่ยคิดไปอย่างนั้นเราคงทํากรรมไว้มากคิดได้อยู่แค่เนี้ยแต่ไม่เคยชําระร้างทางกายล้างแบบไหน เช้าขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราทำไมเราต้องอาบน้ำเช็ดตัวร่างหน้าแปรงฟันก็เพื่อให้มันสว่างเง่อยางั้นหน้ามันมืดตลอดใจมันมืดตลอดเมื่อใจมันมืดประตูหน้าต่างมันไม่ถูกเปิดเมื่อเปิดแล้วก็มองแต่เห็นของที่มันไกลตัวพอลืมตาก็จินตนาการว่าโอ้นอะ ถ้าเราเป็นดาวเนี่ยเราจะได้ดาวสักดวงหนึ่งบนท้องฟ้าจินตนาการไปนอนหากแม้เราเป็นดวงจันทร์เอามาเป็นของเราได้พระจันทร์คู่กับดาวปรุงแต่งไปเลยว่าหากเราถ้าได้คู่ผัวตัวเมียกับคนคนนี้เมื่อเราได้เป็นผัวเป็นเมียกับคนคนนี้เราคงมีความสุขเนี่ยคิดไปอย่างนั้น ว่าดาวจะต้องคู่กับเดือนเอาคิดไปคิดมาก็วกไปวกมาจินตนาการเขาคงไม่ชอบเราเขาคงไม่รักเราเราหน้าตาไม่หล่อไม่สวยเราไม่รวยทรัพย์อับจนอีกต่างหากความรู้ก็ไม่มีเปรียบเสมือนหมามองเครื่องบินอาจก็คิดไปวนมาตามสภาวกิเลสตามสภาวที่ปรุงแต่งในการคิด การนึกขึ้นมาเองความโกรธมันก็โกรธขึ้นเมื่อปัจจนาและไม่ได้มันก็หมัวหมองใจจิตใต้สำนึกของท่านทั้งหลายในขณะนี้ท่านได้สติท่านได้ดความรู้ก็คือตัวปัญญาหากเช้านี้ท่านปัจจนากายบริสุทธ์ก็คือต้อง ทำด้วยความเมตตาเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าแผ่สองสลึงการแผ่เมตตาก็มองพิจารณาตัวเองมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ ป, ประกอบด้วยรูปนามแห่งความสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายรูปนามแห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าเผ่าพันธุ์ก็คือพ่อแม่ พี่น้องเมื่อเราพิจารณารูปนามเนี่ยแห่งความสมมติก็พิจารณาว่าโอ้เนอะธาตุดินคือกระดูกธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำเหลืองที่พระองค์สัมมาสมัมพุทธเจ้ า, ากล่าวว่าร่างกายก็เปรียบเสมือนรังของโลกร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าหน้าเกลียดหน้าชังเสยยิ่งนัก ท่านก็เลยมาลองพิจารณาว่าโอ้เนอหัวก็มีขี้หัวตาก็มีขี้ตาจมูกก็มีขี้มูกปากก็มีขี้เสลดน้ำลายหูก็มีขี้หูตัวก็มีขี้เงือ่อมีขี้ไข่ร่างกายเราก็มีเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองขี้เสลดน้ำลาย เข้าไปในท้องก็มีอาหารเก่าอาหารใหม่ขนาดเรอออกมาผายลมก็มีกลิ่นเหม็นเช้าๆ้าเนี่ยเราไม่ได้แปรงฟันก็จะมีกลิ่นปากกลิ่นเศษอาหารที่บูดเน่าร่างกายเราไม่ได้อาบในน้ำไม่ได้ชำระล้างก็มีกลิ่นสาบสัก ต, ต, ต่างๆกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหืนเหม็นสาบสัก ต, ต่างๆ เพียงแต่เราหมกมุ่นสะสมเอาไว้คนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เราหรอกผู้หญิงก็ไปเอาเครื่องประทินโฉมมาเอาแป้งมาทาให้หน้าขาวเอาครีมมาทาให้ผิวพรรณดูดีขึ้นตาก็เอาสีนั้นสีนี้เอาขนอะไรมาต่อตาปากก็มาทาสีนั้นสีนี้หูก็เอาอะไรมาห้อยมาโหนไว้ ร่างกายก็ทำเป็นใส่ชุดอย่างนั้นสีอย่างนี้เอาเครื่องมาปะทินโสมเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ดูสดดูสวยดูแล้วเพศตรงข้ามดูแล้วเกิดอารมณ์เกิดความยินดีในร่างกายผู้ชายก็เช่นเดียวกันแต่รูวพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา แต่พวกเราไ ด, ได้คิดบ้างหรือเปล่าได้ปราฐานาความหลุดพ้นว่าไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่หมกมุ่นอยู่ในกิเลสตัณหาราคะบ้างหรือเปล่าเหมือนดวงตาของท่านเนี่ยได้ล้างหน้าชำระล้างหูตาจมูกลิ้นกายใจบ้างหรือเปล่าท่านยังหมกมุ่นอยู่ในกองขยะยังหมดมุ่นอยู่หรือความคิดชั่วอยากปรุงแต่ง ไม่มีสติมีความรู้ตัวตนของตัวเองว่าจะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บท้ายสุดก็จะต้องตายที่เราอยู่วัดทุกวันเนี่ยก็เห็นท่ออุโมงค์วัดกสปะเผาศพควันเขาหมองอยู่ทุกวันลุงพ่อก็นั่งเห็นคนมาสวดคนมาไหว้คนมาทำพิธีต่างๆงงานศพ 3วันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วก็เผาทิ้งไปไอสัปเหร่อมันก็เก็บกระดูกห่อผ้าขาวเห็นญาติมาเก็บกันอยู่คนสองคนพระเอวยผู้ร่วมงานเอวยก็ไม่เห็นมาอีกก็ห่อผ้าขาวมัดมั ด, มดแล้วก็ใส่รถเอาดอกไม้โปรยเอาไปทิ้งทะเลบางส่วนก็เอามาฝากไว้ที่วัด ้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เทียงเกิดขึ้นเสื่อมสลายตั้งอยู่ไว้ไม่ได้เป็นที่สุดก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดแล้วจะต้องตายความคิดเกิดต่างๆปรุงแต่งต่างๆนาน า, นาเราดับไม่ได้ด้วยสติไม่รู้ด้วยปัญญาก็คือไม่รู้ทิศไม่รู้ทิศรูทางนักปฏิบัติทั้งหลายสมมาเนนทั้งหลายาพระภิกษุ แม่จีอุบาลสกงอุบาลสกาทั้งหลายท่านเป็นบุคคลที่โชคดีนะ่ามีความเจริญดีแล้วก็เกิดกุศลผลบุญมาดีแล้วใกล้พระธรรมคาสั่งสอนหลุดพ้นจากสภาวะกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ยิ่งเท่าไหร่ท่านก็รู้สึกมีความสุขการเวลาช่างวัยแทจริงหนอ ดุดดังน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่มีวันที่จะต้องไหลคืนจากที่ต่ำสู่ที่สูงบนท้องฟ้ายังหยดน้ำชะลมต้นไม้ใบหญ้านับาภาษาพิสุสงฝนตกชะตัวน้ำร่างหน้าอยู่ทุกวี่ทุกวันตาไม่สว่างตาบอดหูหนวก แถมใจบอดก็ต้องตกอยู่ในอบายภูมิภูมิของความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าอรัจชีเปตพระอารัจ c ีเปตเนนอรัจ c ีเปตเมชีกับอารัจ c ีเปตอุบาลทรงอุบาสิกาที่มารวมตัวกันมาทำความชั่วยาก ทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองทำให้การเวลาของตัวเองชีวิตของตัวเองมัวหมองตกหล่นไปเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงหมั่นอุตสาหะมีมานะปัดกวาดชำระร่างหูตาจมูกริ้นกายใจของท่านทั้งหลายด้วยการมีเมตตาต่อสัต ต่อพี่ต่อน้องต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความการุณามีความสงสารสัตว์สงสารช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่สงสารตัวเองมีความรักปรารถนาดีต่อตัวเองมุติตาคือความเห็นชอบไม่อิจฉาทิ่สยาซึ่งกันและกันเมื่อเรามีมุติตามีอุเบกขา เมตตาการุณามุติตาอุบเบกขาคือวางเฉยต่อสภาวะกิเลส ท, ที่มากระทบหูกระทบตากระทบกายใจเมื่อเรามีสติดีแล้วรู้เหตุรู้ผลดีแล้วยอมหลุดพ้นจากอสวะกิเลสได้ก็ต้องขออนุโมทนากับบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรที่หลวงพ่อนำพาทําทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกวันนี้ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งสิ้นไม่ใช่บวชมาเพื่อจะมานั่งนั่งนอนนอ น, น, อนกินกินเดินเดินดนันเถินเหมือนกับคนทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียรรักษาศีลก็ขอจเจริญพรนินมนต์ครับ